ก็กเรากำลังล้างโลกกำลังทำลายโลกก็มีนักคณิตศาสตร์โลกคนวณดีว่าถ้ามนมุษย์เราแค่ชีวิตแบบนี้นมันจะถึงจุดที่จะไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ในทางไม่ไม่จู่าธรรมชาติสต่งการก็ถูกทำลายแล้วก็กลับมาทำลายมนุษย์เขาจะทำให้บรรยากาศของมนุษย์เดียวนี้ แม่สามาีเขอนู่แคือความศึกษาโลกเปนไงความศึกาโล ก, ก็เป็นความสึกที่จะมา ท, ล า, ทลายทาลายพวกเราการความศึกการทนีนทททนน่ไม่ได้ทำลานสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เมื่2500อสองพนห้า้กว่าป จนมาถึงที่เรามีมีความรูคทาง ว, วาิทยาศาสตรโลกนี้นอยู่อย่างสมบูรณ์ป่าไม้ก็สมบูรณ์ในหนังสวอขงพระอาจารย์ชื่อแท้เขาบอกว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นออกปฏิบัติสมัยนั้นประชากรในประเทศไัยก็มีแค่สิบแปล้านคนป่าไม้ในประเทศก็มีมาก แต่วันนี้ประชากนมีมากถึงเจ็ดสิบล้านสามารถที่จะรดลงมาไม่มากนะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะวิถีที่ิตของชรา้ือวนถีชีวิีที่ทํรมารรมาและทรัพยากรเรากุดเจะน้ำมันขุดเจะหุห้นทางหุ้นขุดเจแะแร่ธาตุต่า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 มีเครือข่าทางเสียหานะทาลงสีออกมาประชาชรที่อยู่ในบริเวณ20กิโลเมตรา็ิูกยกยกออกไปอยู่ไม่ได้้ถ้าอยู่ไปก็ต้องตายดึนล่อเบอร์แล้วก็ลิฟต์ล่อทำเกษตรกรรมได้ดดตรวดเกื่อมมาไม่ได้เพราะมันจะเกลคนเตือนด้วยรังสี ถ้ารับประทานเข้าไปมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะทาลายชีวิตของผู้ที่รับประทานแต่มือเรื่องเราก็ยังไม่ยอมสปลี่ยวิถีทางก็ยังอยากะปมีไฟฟ้าใช่ไหมอยากจะมีเครื่องจักรกอยากจะมีเครื่องอะไรทุกชนิดอำนวยความสะดวกทางที่เกลียดของติเแรงทางไหน แล้วไม่ได no, ้อะไได้แต่ความทุกข์เมื่นก็มีเข้ามาเขาก็ได้ถามก็อยากจมาเราพูดทนายว่าฟังเขาก็ไม่เว่าความแรแยงไม่ได้ เราบอกว่าอย่าไปอาศัยเงินทาองซื้อความสุดเพราะว่ามันทําให้เรามีต้องทุกข์ทุ ก, กับการหาเงินทุกกับการใช้เงินทุกกับการรักษาเงินทุกกับการถาเงินใช่แล้วก็เลยบอกนี่นผมว่าต้องไม่ใช้เงินผมว่าสอนลูกไปเงินึงไม่ได้ คน ง, งานผมก็จะให้เขาออกจากโงานป็ดโรงงานครับแล้วบอกว่ายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเราก็ค่อยๆทำไปไค่อยๆลดไปวางแขนยู่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพิยมชีวิตของชีวิตเราจากการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือนในก า, ารหากาเงเราจะมาใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือ ในการหาทางสุดทเช่นตอนนี้เรามีเงินี้ลืใช้เราก็เอาไปทำอาให้ทางแล้วเราก็ตัดการใช้เงินทองกับสิ่งที่ไม่จนเป็นเพื่หาใช้เงินทองเพื่อความสุดทางด้านมันเทให้เราเราเอาเวลาที่เราไปหาความสุขกับ เรื่องจต่งกายมาหาความสุขธรรมะบ้างกับการปฏิบัติธรรมทางเทศทางธรรมายพักเนนัสมาธิน้เาอาลามามาทำทางนี้ทางนี้ไม่ต้องเสียงเล น, นั่งสมาธิไม่ต้องเสียงเลทางเทศทางธรรมไม่ต้องเสียงเลแล้วก็จะประยัดงินอนได้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 หนกันอยู่ตลอดเวลาพราเรากินยาพิษกันคนที่เขามีธรานะเขาไม่เบือเลยเพราะธรรมะเป็นอาาทให้เกิดความอิ่หมหนำสำราญใจเกิดความพอเกิดความมั่พอเกิดความความไม่รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งต่าง เพราะาธรรมะนี่ทาให้เรารู้จักตัวของเราเองตอนนี้เราไม่รู้จักตัวของเราเองเราหลงเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราขอราตัร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเอนถามว่าถ้ารนนะเราโยกขึ้นไปนะเราบองกว่าเราโยกขึ้นไปเพราะ เรื่องว่าพวกเราอายุเท่าันหมทุกคนก็เราก็าลาาปลใจใจของพวกเรานี้ก็มีอายุเท่าเท่ากันไม่มีใครแตกออกไป ใ, ใจของเราทุกคนมันมีมาอยู่ตั้งแต่นั่นเดิมและมันก็ไม่มีวันหมดไปแต่ว่าใจของเรานี่มีความหลงมาหล่อให้เราไปไปยึด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 ตามกันนที่ว่ามีความสุขหีือมีความทุกข์มากน้อยเพราะนั้นผู้ตางกันถ้ามีธรรมะมากก็ความทุกข์ก็จะมีน้อยความสุขก็จะมีมากถ้ามีความหลงมากก็จะมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยไม่ได้ความสุขความทุกขของใจจริงไม่ได้อยู่ที่ว่า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 มีรูปเสียงกินนก่นวัชพเนื้อต่างๆนำบำรุงนำเล่าตาหูจมูกยิ่มกายีแล้วจะมีผ่าสุภานี่เป็นความหลงใงนั้นเพราะว่ามันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจได้า ม, ามากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็แสลงใจเพราะสร้างความกดดันให้แก่จกิตใจ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 ทุกขังที่ทุกขรังก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามตามตากัญาของเราเสมอไปมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายแล้วมันเป็นอนัตตาที่หมายความมามันไม่ได้อยู่ภายใต้การํำสั่งของเราเราสั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดตอนนี้เราอยากให้ฝนหยุดจบมันไม่หยุดต เพรามันเป็นอำนาจมันไม่เย่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรามันไม่เที่ยงก็คือเวลามันจะตกมันก็ตกเวลามันไม่ตกมันก็ไม่ตกมันตกแล้วมันก็อยุดพอมันหยุดตกแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมานี่คืาไม่เที่ยงถ้าเราอยากให้มันตกในตลอดเวลาพอมันหยุดตกเราก็เครี่ยงถ้าเราไม่อยากให้มันตกพอมันตก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 เกีในเรื่องของปัจจัยสี่ทดเราได้ว่าเราไม่มีเงินหลายน้ำเก็บไว้ในธนาคารเดือนออกนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะถ้าเรากินวันเดือนหนึ่งไม่ถี่ทางวันไม่ถึงร้อยก็อยู่ได้กินข้ า, าวระมืออยู่ดัชชะอยู่แบบนักภาวนานักปฏิ บ, บัติ เดือนเงินจ่ากินข้าวอะนี้แล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไราต้องใช้จริงๆรมันไม่มีหรอกนี่คือนี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเงิื้อแต่ที่เราหมดไปนี้นราหมดไปกับกิเลสคําหาเสียมากกว่าต้องซื้อเครื่อนเดิี่นี่น้ำมาเดินต้องซื้อขนมที่ห่อนั้นมากิน ต้องใช้น้ำหองต้องใช้สบู่ต้องใช้อะไรต่างมากมายต่าอั น, นี่แหละค่ที่ทำให้เราต้องเครียดกับเรื่องของเองินทองเพราะเราต้องทำงานหากินเมื่อทำงานมันต้องมีมีการบังคับให้เราต้องทำให้ได้การได้ทำนั้นทำนี้ถ้าเราเป็นลูกจ้า ง, งเขาทําไม่ได้ตามที่เขากาหนดไว้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 พอเมื่อมีเสีงก็ไม่ได้ทําบาปนะก็จะไม่มีความนิ่ต์กังวลกับวิบากรรมถ้ามีสมาธิก็จะมีแต่ความสงบมีความสุขเย็นใจถ้ามีปัญญาก็าจะไม่มีความเครียดกับเวื่องาะก็ปัญญาจะตับจะเห็นว่าเป็นไตรนักทันทีจะเห็นว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแมจะเห็นคุณค่าของการตับ ว่าตัดแล้วมันสบายกว่ายึดติดยึดติดแล้วทุกทรมานใจพอตับได้แล้วมันโล่นมันเบามันสบายเพราะว่าความจริงของชีวิตในทีุ่กๆเราก็ต้องตับทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปงั้นไปยึดติดทำไมยึดติดแล้วทุกทุกตับดีกว่า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 เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกายรักด้วยปัญญาด้วยการศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยนะี้เป็นกายรักทั้งนั้นตั้งแต่ราก ล, ลึกเสมอยูปเสียงติ่นลดขันห้าคือร่างกายเวทนาปัญญาสังขารยินญาและจิตภาวะต่างๆที่มีอยู่ในจิต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 เ้าทำมากเทลาดมันงานนี้ก็จะเสร็จเร็ขึ้นท่นั้นถ้าทำน้อยมันก็จะเสร็จช้าและอาจจะไม่ทันการถ้าเกิดตายไปก่อนแล้วยังไม่ได้ได้ตั้งหลักตายตายนี้ก็มาเกิดชางหนนี้ก็อาจจะไม่ได้ปกติบบักเพราะจะไม่มีใครมาคอยสอนเราคอยเดียนเราให้มาปกติบลัก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 ต้อ อ, อกปหางานหนักมาทำก่อนในทั้งที่ไม่มีความเต็นเป็นมีเงินทังเหรือกินเหลือใช้ไปจนถึงกานตายจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหางานหนักมาทำกัอนถ้าจะทำงานจนงานตายจนตอจะร่างกายทนไม่ได้แล้วพอกรรมมาเกิดให ม, ม่ก็จะมาทำงานแบบนี้ไหม่มันก็จะวนใจเวียนมายอยู่ีนไปต่อ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 ใจมันอื่นมันพอของมันอยู่ะบอกเวลาเหมือนกระน้ำที่เป็นแก้วไม่มีวันเข้าไม่มีความเต็ๆที่จะต้องเติมให้มันเต็มเพราะมันไม่คข้องใจที่ทาใจที่ได้รับการชำระจนสะอารบริสุทธิก็จะเป็นใจที่ไม่มีความอยากความต้องการอะไร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 ทีอยู่ในท่านวิจิตรก่อนเพื่อชคนที่ยังไม่มิจิตรก็ปล่อยเขาไว้ก่อนเอาคนที่กล้วิจิตรี้ใหไ้ได้ก่อนรักษาเขาได้ก่อนแต่ไม่ได้ตายพวกผ่านอย่างตายเพรเหตุว่าเห็นว่าพวกที่จาระได้รับ ก, การช่วยเหลือนี้ถ้าได้ไปลแล้วเขาจะได้ประโยชน์ก็ฉะนั่งขอให้เราพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อย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 เข้าหาทัาษกษะต่างๆเพื่อหาความรู้ในเริ่มต้นเพื่อที่เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติยลวก็จะได้ปฏิเวทก็คือจะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติอันนี้มันเป็นสูตตายตัวเป็นอาการวิโกรไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกนี้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้า หรือภ า, าษาลพบมาสอนพระสอนพระธรรมคาสอนก็ำำนจะสอนอย่างนี้สอนปริยัติปฏิบัติว่าปฏิเวสจะมินปฏิเวส น, นี้จะไม่เกิดจากการอยากได้ของเราจต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะต้องเกิดจากการศึกษาหรือปริยัที่ถูกต้องถ้าการศึกษาไม่ถูกต้อง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 มีแต่จเริ่ก้าวหน้าเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากไป้เรื่อยๆยะมีความทุกข์น้อยลงตามกาบเวลจนหมดเส้นตปได้แลแม่นอนเมื่อขอหยุดทักเหนือยมื่อที่ประเทศไหนฟังแ้วทุกข์ังความเครียดต่างๆนี่ะคือความสัมของพระพุทธเจ้า นั่นเหตุของความเครียก็คือความอยากในการดับความเครียดนี้ก็คือดับความอยากดับความอยากนั่นเองอยากดึงเบียก็ไม่ดึงมันมันก็หายเครียดอยากไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็หายมันก็หายอยากรวยก็ตัดหมือนกัไม่รวยไม่รวยไม่รวยก็ได้นี่หายแล้วก็เลยอยากตัดอะไรทำไมอยากแล้วมันเครียดมันคุ้มค่าที่ไหน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 มันมั น, ม, นมาจากไอ้ตัวนี้เวลาเราทุกเราก็ไม่รู้ว่าเราทุกกับไอ้ตัวนี้แต่เวลาเราได้มาเราอยากได้เราก็รู้ว่ามันเป็นทองคําแล้วเราก็มาเครียดกับไอ้สิ่งที่เราอยากได้อย่างนี้เราไม่ได้เครียดเครียดกับอะไรอะไรทมางนี้เราก็เครียดกับสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาแล้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 เคือมก็คือทางศีลแต่ตัวที่สําคัญจริงๆก็คือตัวสมาธิหน้าต่างใหญ่เพราะสมาธินี้จะหยุดความอยากหน้าทางศีลนี้ก็เพียงแต่ล้อมกรอบมไว้ล้อมคอบมันไไม่ให้มันขยายตัวออกไปกว้างเวลาเราให้ทาง น, นี้เราก็จะตัดความอยากลง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 เอาไปเราก็ไม่อยากจะมีเงินเก็บไว้เพราะเราเียบไว้มันก็เราเอาไปให้อยู่ดีมันก็มันก็เป็นการการร้อมล้อมข้อของความอยากให้มันอยู่ในกรอบสีลก็เหมือนกันมันก็ล้อมล้อมข้อของความอยากจะหาอะไรมาก็ต้องหาในกรอบของศีลธรรมไม่โกหกหลอกลวงไม่เช่าโกงไม่ทำล้ายผู่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 จบเกี่ยวกั บ, จ บ, จ บ, จบเรื่องของทางร่างกายก็กลับมาทางทาทางานทำกิจกรรมมอย่างจกรมามานั่งสมาธิศสตร์ความนี้ไปเถอะรับรองว่าไม่นานไม่เกินจุดตีอย่างที่ก็ะพุทธเ้าทรงพยาการณนะต้องได้เหนอยง น, า น, น, า น, น, าน่นอคือพพุทธเจ้าชีทางให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้ว ไม่ไมมีอะไรที่จะชัดเท่ากันนี่แหละเดินโยกรมนั่งสมาธิเท่านี้เดินโยกรมก็จะจะเรียนถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก็จะเริยสจิตก่อนยังจิตให้อยู่ในปัจจุบันก่อนอย่าให้จิตลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดในอดีตเรื่องในอดีตอย่คิดในเรื่องในอนาคต ให้ <t ouch> คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดถ้าไม่จําเป็นต้องคิดถ้าให้รู้เฉ <t ouch> ยๆว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินถ้ามันจะไปก็ท่องไปไดนะ้เงาซ้ายขวาซ้ายขวาข้าวขาข้าวตะวับซ้าวขาขวาตะวันขวาข้าวขวาข้าวขว า, า, ขวาคับนี้จะใช้พูดโทพูดโทไปก็ไนดะ้เวลาเดินรกลม ๆ, ๆ พ อ, อเมื่อเหนือน่อยอยากจะหยุดก็ไปนั่งก็พึจโตต่อถ้าใช้พึตก็พต่อถ้าเมื่อถ้าเหนื่อยอยากจะหยุดพึจโตกโด็ดูใดูลงเข้าดูลงให้ดูแต่ลมอย่างเดียวนยให้ไปคิดอะไรถ้ามีสติจดจอ่อต่อเนื่องไม่นานห้านาทีกินาทีมันก็จะสงดพอเวลาสงบแล้วก็ฝ่อยมันสงบไป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 ก็ทำได้สอวิธีวิธีและวิธีหนึ่งก็คือทางสมาธิโดยใช้การบริกรรมการบริกรรมให้ไม่ให้อยู่เลยถ้ามันขาดใจตายไปกับการบริกรรมหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเชิญกับมัดูมันดูมันว่ามันก็เป็นเหมือนฝนตกผนตกมันก็มีเสียงดังใจก็รับยีนเสียงถ้ามันดัง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 สุขภาวะทั้งยาและทุกขเวททน้งยาเช่นเวลาเกิดท um. ุกเวทนาร่างกาเยเจ็บปวดขึ้นมาการมีปฏจจัริยาอยากจะให้ความเจ็บปวดหายไปมันก็เกิดความทุกข์ทรมารย์ใจขึ้นมาใช่ไหมหรือเวลาที่ร่าการมีสุขเวทนาเช่นมีอากาศเย็นแล้วก็พออากาศเย็นมีหายไปอากาศร้นเข้ามาแทนที่มันก็เกิดทุกขเวทนาอยากจะให้มันเย็น ก็ต้องไปหาเครื่องปรับอากาศมาติดอันนี้มันก็เป็นความทุกขก์ทางใจแต่ถ้าใจนะวางเฉยเย็นก็เยน็นร้อนก็ร้อนใจมึงก็จะรื้ทุกกับความเย็ยนความร้อนความหนาวเน้ น, นเมตนามันเป็นขันมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของมัน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 อยากร่วมหับนอนกับคนนั้นคนนี้มีแต่เป็นการวละเพราะว่าตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นอยากมีเงินมีทางอยากน่งรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นเจ้านางอยากเป็นใหญ่เป็นจโตก็เป็นภาวะตัณหาที่ภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่อยากไม่จน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 อาษาสิ่งให้มากแล้วก็ภาวนาให้มากไม่มีใครทำให้เราได้ปัญหามอยู่ตรงนถ้าพวกพี่ยาาทำให้พวกเราได้พวกเราก็าสบายกั น, นเลยหรพอคหัวกันทือจะไปถึงที่ทาน ได้ยันพูดถึงเรื่องของแก้เวทนาด้วยสองวิธีนวิธีสมาธิกับวิธีการพิจารณาถ้าเกิดเราใช้วิธีสมาธิก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปใช้วิธีภาวนาพิจารณาเนี่ยถ้ากําลังสมาที่ไม่พอเนี่ยมันมันไม่ได้ผลไม่มีกําลไม่ได้กาลังพ อ, อที่จะไปรับรู้มันที่รับรู้มันยอมรับมันหรือเบลเบลคือความยากเพราะมันมันจะมีแรงมาก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 เวลาก็มาเจริญปัญญาต่อแล้วก็เราก็มาเดินโยกลมก็ถ้าเรยังนั่งนั่งไม่ไหวล้วก็ไม่เท่าระหว่างที่เดินโย ก, กลมตรงนี้ใช้พิจารณาก็พิจารณาอะไรก็ได้ พ, พิจารณาร่างกายก็ได้เพราะการนั้นเวทนาของไม่เกิดโอพิจรารณาเวทนาความทีม่มันไม่เกิดมันก็ไม่เกิด้ัวคือพอจรณาได้แต่มันมันมันยังไม่เป็น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 คนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนี่เวลากินเผ็ด ม, มันจะทรมานใจถ้หาหาชอบกินเผ็ดอยี่งกินไปเรีเร่อยๆ่อไปมันก็ชิน ม, มันก็จะไม่รู้สึกทรมานใจเพราะคนที่เขากินเผ็ดได้เขาไม่ทรม า, มามนใจเพราะเชอบเลยเพรชอบเผ็ดเวลากินเผ็ดเขาก็ไม่ทรมานใจแต่คนไม่ชอบเผ็ดเวลากินเผ็ด ม, มัน เพราะงั้นเวลาเรานั่งนี่ถ้ากอกว่าขนาดที่ยังไม่เจ็บนั่งจน ก, กว่าจะให้มันเจ็บ เ, เจ็บแล้วก็พอมันเจ็บก็ชอบมันชอบหมดอย่าไปเจ็บเอยพอชอบแล้วก็อยากจะนั่งไปนานๆนั่งไม่อยากจะให้มันห <c oughs> เห่าเานี่ยกำลังไม่พอมันก็แพ้มันนะครับก็เขาชอบมันเปเทียนนิดเดียวเลอพอมันเจ็บก็อยากรีบยกแขน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 ไม่ชอบกับมีความสุขนะแต่ถ้าคนที่ชอบแล้วไม่ชอบด้วยทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีความสุขตลอดเลยนะในอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ไมคือจุดที่เราต้องการพาใจให้เข้าไปสู่ตรงนั้นจะหยิบตรงยังไงก็ได้ไม่เป็นไรให้ข้ อ, ขอมขาเท้านี้ไว้เวลาเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไร แต่ส่วนใหญ่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราเข้าไปในเหตุการณ์นี้เร า, ามีเป้าหมายของเราแนละ้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนีน้พอไม่ได้เป็นอย่างนี้นเป็นน ira, ี้ขึ้นมาก็เครียดแล้วจะไปดูตีลาไปเชียทีของเราต้องช น, นะนะพอแพ้ใจผอแล้วใจไม่สบายขนะึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ใดถ้าเป็นนักปฏิบัติทางต้องใจเป็นการเข้ายังไงก็ได้ <S <S ไม่ตัดไฟ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 รู้สึกว่าเราเจ็บแตไม่รู้สึกทั่งหลแล้วพอเจ็บถึงเองแล้วก็ไปอยู่ที่นี้ถ้าก็ไม่รู้สึกว่าอยากที่จะให้มันเก็บอย่างนีเจ็บไม่สุดใจเลยในการที่จะแรกอะหนืองไม่ทราบว่ามันมันคือความอย่างเราต้องพยายามที่จะให้รู้ไหมคะไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้าจับได้แล้วทําเพื่อให้ใจของเราอยู่กับมันได้ไม่รังเกียจมันไม่รักมันมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ใหมันไป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 เพราะเขาเป็นใจรักเขาไม่เขาไม่แน่นอนเขาไม่คําส้นคงวาเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยขันห้านี่เป็นใจรักอย่างร่างกายเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นใจรักใช่ไหมอันนมีเกิดกเจ็บตายเป็นธรรมดาเมตนาญก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสัญญาสังขารีอางก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลอดเวลาเราดูแลก็ปล่อยวางคอยต่อ แน่นค่ะเดี๋ยวเวลาเราที่เราเคยนั่งแล้วเราก็ดูเด็กคนานนะคะที่เราเห็นมันแยกกันสามส่วนได้ตอนนี้เวลาเราหัวกระล้มเนี่ยเราจะเท้าเราก็เสียบเข้าในตู้มันก็เสียบมากนะคะแล ต, ตอนนั้นเนี่ยสติมาตู้ขึ้นมาสติมาตู้มาก็มันมันก็เห็นขาที่เจ็บแล้วมันก็มีจิตผู้รู้มันก็จะบอกว่า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 พอพอนักทำงานก็นิรโรธถ้าเกิดเข้าความทุกข์กดับดับความดควากมันก็เฉอมันก็เป็นจัตวแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ว่าเนานี้เราไปเตะทับกับความเจ็บขึ้นมารับแล้วทับรับเรื่ยงนี้ก็ลดเดนไปแล้วหาแล้วก็รู้ตามตาปฏิ่งต่ก็ ที่มันเหมือนกับอบกฤิ์นั่ค่ะคือพูดลงไปแบบนี้เ่จะกดอยน่แล้วก็จิตนี้ราคืไม่ต้องมาวนาใช่ไมคะแลคือไม่ต้องบริกมรอะไรก็จะอยู่นิ่งๆแล้วก็มันก็แบบว่าเฉยๆแบสุขแต่มันมันสุขแบบไม่ใิดจิตใจนะคะตรงนั้นเนี่ย ในอูเบคากับเอกาตาหรือว่าอะไรก็ตามอะไรให้เขก็มันก็อยู่ใน น, น, นนั้นค้องกันอเบคาคือการนันั่งไม่มีอารมณ์ักฉันมันมนก็สัตว์แต่ว่ารี้เป็นคว่าเอกตาเลก็กกคือรู้อย่างเดียวรู้แต่ไม่ ไ, มได้รู้รู้แล้วก็มีการปุงแต่งตามตามทางนีงง้นรู้เฉยๆแต่แต่ว่านี้มันมน่งมันสง มันเหมือนลิฟต์เวลาเลื่อนางมาแล้วก็หยุดเหือถึงชั้นที่เราจะลงนี่มันก็แบบเวลาเรื่อนลงมามันก็จะเรูวๆได้ก็หยุดนีจิดก็เหมือนกันนะจ็บมันลงรัสัมผัก่อนมันก็จะลงลงลิฟต์ลงเร็วแล้วก็หยุดพอถึงชั้งที่มันหยุดมันก็หยุดแล้วมันก็จะมันก็จะรู้เฉยมันจะมีความรู้สึกเบาอกบาใจสบากสบายใจ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 สต่งต่างๆภายในเพราะออกจากสมาธิอย่างนี้จะไม่มีกำลังที่มาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาทำกรรยาเพราะความอยากไม่มีกำลังที่จะมามาต่อสู้กับมักที่เราจะเจริญมรรคจะไม่มีกำลังของที่จะละความอยากได้เรา็้องตีหัวความอยากให้มันหืึนครับก่อนให้มันสงบกัน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 เรื่องราวที่มาจากพยนยอกมันก็ไม่เป็นประโยชน์กันตามเคยมักคือปัญญานลังจากที่ออกจากสมาธิแบบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรารุ้งไปทางนักนี้เราอยากกรสนใจกับสิ่งที่เราจะเห็นรู้ในขณะที่จิตเราสนบกงียบเราก็เลี้งกลับมาที่ตัวรู้อยากกระสนใจ อย่าไปรักนี้ออย่าไปตามลื้เดี๋ยวมันก็จะหายไปมันจะสมใจหายไปือเราต้องขึ้นมาทำงานลงไปต่อเลยคะไม่เราต้องการให้มันนิ่งให้ัว่าให้มันเป็นอุดเด็ดค่ะถ้าพอเริ่มเริ่มออกมาเริ่มออกมาถ้าเรายังถ้าว่า่เดื่อยังอยู่ไม่นานพอเราก็พยายามให้มันกลับเข้าไปมาสำรวจดูลงมาสำรวจโดยการทุกคง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 มีเนซื้อกาลังใจกับชาติส Eller, ุดท้ายอยู่นะถ้าไครยังไม่ได้เท่าที่เรต้องการก็เาให้คนที่ไม่ได้ก่อนนะส่วนเท่าที่หลือถ้าคนที่ได้แล้วอยากจะได้อยู่ก็เอาไปได้คอที่ใครที่ยังไม่ได้นะครับกำลังใจพี่ไม่ไว้หมานช่ไหมท้ายเทคนิคใช่ กำลังใจท่านย้งไม่พอแม่นีมีมาสามสิบเรื่องครับเอาไปได้เอาไปหมดนี่แหละใครอยากเป็นด้านนี้ก็มีด้านจะต้องใจเปิดเ่าลูกเตอร์ตัดจบสุชาติเ่นพี่ค่ะสุชามิช้างมีเพีงทุกคนนะ กายยุ่งเฉยที่ท่านอาจารย์ทวยเนียงท่าก็เขียนอย่างนี้ไม่บอกว่าการเป็นผู้ ด, ดูของทางโลกกับทางธรรมยังต้องมีความที่เป็นผู้ดูลยู่ถ้าทางโลกมันลเอียดยมําทางธรรมก็ไม่คุ้นเข้าท่า น, นจาตรวจเสร็จแล้วเส็จแล้วเสร็จแลก็การเป็นผ้ญาตาิของผู้ตอยไปนายพ่อเดี๋ยวพี่หมัดบุพเพจะให้พี่หมุดตอนผู้ตายก็ถามบอกยากให้สักให้คนดีกัน อันนี้เราหวัเรารจักยากของคุณใต้เข้ามาคือสามีเขาคือมือปากนะมือปากเขาแต่เพราะต้องอธิบายเวาไม่ยอมว่าที่แก้แก้อะไรบ้างถ้าเกื่อเวลาเป็นน้องให้เขาจะได้บอก้็ถูกตัวว่าเดี๋ยวคุณดูมาไม่มีเวลาคุณฝากไปทาง่นยนต์จะจะดีดดีแค่บังไม่ได้แก้มากเพราะท่านคืดท่านก็เขียนดีแล้วดึกบ ะกะจบ้แล้วก็ความหมายที่เข้าใจผิดไปีมีอันอย่างเี้พราะว่าท่านอาจารทุกวันลูกก็ไปสอบเข้าได้กิจกรได้การเนี่ยวันสามวันสาก็มีปัญหค่ะ สาวก็สอบติดมหาวิทยาลัยงันที่ก็จะสอบติดเขาก็แต่อัฉหรือภาษาชาวบ้านตองบ่นไงขอออก็โหว่าถ้าสอบติดมหาวิทยาลัยก็จะถึงสิ่แต่สามเดนที่นี้พ่อก็สอบติดจริงแม่จะถึงวปไม่ได้ติดกันสามเดือนขอความสมได้ไหมการกแนะนำด้วยค่ะถ้าเข เขาดุจเพี้ยวเขาต่อไปเขบ่นก็จะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคนอื่นเราไปทําสัญญากับคนเพขาไม่ไม่ไม่ทําตามสัญญาทําหน้าไปทําสัญญาเขาหนึ่งเขาไม่เขาไม่รับสัญญาคืิต้องถึงติดใจได้เหรอคะคือบอกเขาว่าไม่ต้องบ่นหรอกทำจริงได้ก็ได้อยู่ที่บ่นก็ไม่บ่นแต่เรื่องการบ่นนี่เป็นการเป็นการสร้างสัจจะแล้วถ้าเราสร้างแล้วเราก็ต้องทําตามสัจจะไว้ ที่ที่ไม่ทำนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะกลัวเรื่องบนไม่บน <c oughs> แต่จะกลัวตัางเสียสัจะ่ะ <c oughs> จะทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะเ <c oughs> ้วต่อไปเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเราไม่สามารถตั้งสัจจะได้ <c oughs> <c oughs> เขาจะอนี่ยคะทานาจารย์คเว่าเขาโอนสามเดือนเก้าสิบวันใช่ไหคะก็แต่เขาทำามได้เก้าสวันถ้างระิวันก็อาจจะสองสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ ย, <c oughs> อยู่อยู่ที่เวลาเขานว่าเขากำหนดเงื่อนไขยอย่างเงี้ยเาตั้งกันอย่างเงี้ยค่ะว่าสามเดือนก็นั่นแหละเวลาอยากจะได้นะก็ก็ก็ไม่ไม่คิดถึงเวลาจะต้องใช้ทีหลังอย่างนี้มันก็ มันก็ทำให้เห็นก็ว่าเป็นคนที่ไม่สมนุนต้องสมนนกว่าใช่ไหมยัไม่มีใครที่เขาเข้าได้หรือเสียจากการที่เราจะรักษาศีลนี้ไม่รักษาศีลตัวเขาเนี่ยที่จะได้หรือเสียคือเขาคือทางหลวงยังเคยพาไปที่วัดไงคะเขาก็เคยตง่นตนแตกเื่อก่อนที่จะตั้งสตรกจะไม่ต้องคิดก่อนว่าเราจะทานทานได้หรือเปล่า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 ังแ <motiv ators> <m> แต่บอกเขาว่าได้ไ hmm. ม <m> ่ไ <m> ด้มันไม่ได้อยู่ที่การบนบามันอยู่ที่การเรียนของเราอยู่ที่ความพยายามของเราแม่ดีด้วยสิเราใจให้ด้วยไงถือู่ด้วยกันมีเพื่อนเป็นด้วยด้วยกันอย่าไปใกล้ป้ามากป้าก็จะให้ผ่อน่ง Qui, qui, เร้อยู่นิ no ่ทำานได้สมาธิดีเข่อนสมาที่ที่เราอ่านมอกคนเดียวเลยคนเยอะแยะขณะรอไหวทองคนเดียวแสดงว่าก้าวหน้าแล้วแอบถ่ายรูปไว้แล้วก็หัวรอกันใหญ่ไม่ใหญ่หามารูดคำโชว์ เี๋ยวกายเป็นธรรมเมาเลยคุยธรรมะคุยใายคุยมากายเป็นธรรมเมาเลยคนก็ยังมาเยอะเทุกวันเพื่อแบ่งกันมาเลไในตึกแปดอื่นนะที่ทาวนาก็ยกจะมีเพิ่มมากขึ้น มีคนที because, because law, because, so, so, like, ่เขาหนักสูตรเพื่อนี่ได้ฟงเขากมาจังอันนี้ก็มีอยู่กลน่มเน่ยเขาอกเขาก็ที่เคยป็พ่อาจารย์โสภาโอ้โอาจารย์ภาก็ดูเขาอยู่แถวเรยลนีเออเขาเอยู่ใกล้ตรงนี้อาจารย์โสภาตรงนี้นั่งได้มามา้ามาเพลิดเธล เป็นแต่ว่าจะสมหวังก็ไม่สมหวังเลยนะอีกเรื่องหอันที่ที่แล้วเราพินพางาสมผลมาแล้วดรเราเขามากราบนะท่านสมบวรณ์มากราบท่านไปชอบมากเพราะเพราะท่านสมบูรณ์นี่ทำด่างไม่ให้ลงไข้ง่ายๆต้องีเหนุให้มันตอบได้มีมีเหตุผลู่ตลอดมาพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเก่งตัวใครจะเชื่อไม่เชื่อ เาไม่เชื่อก็ดีเราจะได้ไม่ต้องมาคอตัดปัญหาเขาพวกผมเชื่ออะไยจะได้เหนื่อยหน่อยทุกทางทางจริง้สบายใจไม่มีอ้อมคองจริงแง่อ้อมคองารับได้ก็เป็นเขารับได้ก็เป็นประโยชน์ถวเขารับไม่ได้ก็ช่วยไมได้ อยากไปพืเพื่อเอาใจเขาเพืจะตามความจริงอย่างกลุมที่มาเมื่อวานนี้อาจจะไม่กลับมานีกแล้วเรายังเขายังหวังในราบเยะเั่นและปิดที่ี่เขาบอกเขาว่าไา่อยากไปหวันหความสุขกับเงานท อ, อ, องเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขมัเป็นความทุกขมากกว่า ที่นี่จะเป็นเหมือนทุตุนสถานมากกว่ามันเป็นเหมือนสำนักที่เุดเหมือนสำนักเหลวงกาของหลวงตาเนี่ยมีนถึงสุดทาหารใหม่ะใครเข้าไปน้นแล้วก็ต้อง <c oughs> ต้องอยู่ในกฎในระเบียบเป็นเพื่อแต่ที่นี้ค่อนข้างที่จะเอกสอัตว์หนี้ต้องปฏิบัติตัวเองต้องสอนตัวเองต้องมีความเคร่งงวกดขางในตัวของตัวเองถ้ามีปัญหาแล้วก็มีคนจะให้คําปรึกษาได้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 หลวป่าเพื่สามารถที่จะจับรูปแบบ้อยู่ในในกอดได้เช่นอยู่ข้างค่างพระข้างล่าเขาก็อยู่นะครับรูปแบบหนึ่งมันจะไปจับไม่เขากเข้าอยู่ในรูในกอบของพระปาใ่อันยต้องต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราอยู่ในรูปแบบนี้้็เราทาตามรูปแบบ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 ไปที่ไปที่ตรงนั้นนะไปที่ตรงนั้นเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกธ <c oughs> <c oughs> รว่ามันน่าจะเกิดในสถานที่นี่มันอดอยากขาดแคลนเพามันจะทำให้เกิดคั้งติเป็นความนับน้อย <c oughs> เกิดความสเรักขึ้นมา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 แต่พวกที่่ายทางนี้จะไปอยู่ที่มันโกอยากขาดแคลนเท่าไร ก, กันยนังหลวงปู่มั่นท่านอยูยยอ่คนเดียวในป่าเชื่อมัท่านบรรลุธรรมที่นั่นคนเดียวอยู่กับชาวป่าชาวเขายินดับาปแล้วได้แข้าวเหนี้วแล้วก็ได้สาระบางวันก็เป็นสาระดิก็ฉันไม่ได้ฉันต้องฉันข้าวเปล่าด้วท่านก็ไม่เบื่ท่านก็ไม่พูด ท่านพอใจกับสภะธาตุแบนี้ถ้าท่านมีเวลาทีนจะได้เจริญธรรมได้จะได้ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เรียนจนตลอดเวลาอยงต่อเนื่ถ้าที่ไหนมีรากสัการเยอะๆก็ต้องมาคอยมาคอยจัดการทำลาบจัดการลาบแบบนี้ต้องให้เลยแต่ก็ต้องจัดการยากแล้วจะไปเก็บไปที่ไหนจะให้ใคร